พระเป็นแม่ชีเป็นญาติโยมขอให้ถือเสมอว่าเป็นเจ้าภาพของงานนี้เพื่อทำถวายหลวงพ่อมเมื่อครั้งที่หลวงพ่อยังอยู่เวลาพระมาก็ดีแม่ชีมาก็ดีหรือว่าญาติโยมมาก็ดีถ้าไปกราบท่านท่านก็จะพูดกับหลายคนคล้ายๆกันว่าเนี่ยให้ถือว่านี่เป็นบ้านของเรานะ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 เจ้าภาพเราเป็นเจ้าบ้านนะเราก็ต้องมีความเสียสละนะเพื่อที่อาจารย์นวยความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นอคันตุกะของเราให้ได้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่พึงตรนหนักก็คือจุดมุ่งหมายของงานนีนะ้เราจัดงานนี้เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพียงเพื่อแค่ปรงสรีระของหลวงพ่อเท่านั้นแต่ว่า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 มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยด้วยซ้ำเพราะหลวงพ่อไม่ได้สนใจเรื่องเกียรติยศอยู่แล้วพระระดับหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงเกียรติแล้วก็สมควรจะได้รับพระราชทานเพลิงศพแต่หลวงพ่อก็ปฏิเสธนะท่านเขียไว้ในพินัยกรรมท่านปฏิเสธเกียรติยศอันนี้ถ้าหากว่าจะจัดงานนี้ให้สมเกียรติท่านนะ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 ส อ, อาทิตย์เท่านั้นเองที่จริงหลวงพ่อท่านอยากให้เร็วกว่า น, นั้นสิกนะไม่ถึง5้าวันไม่เกิน5้าวันได้ก็ยิ่งดีแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นความขรุลัะอย่างยิ่งเพราเพียงแค่จะเติมพื้นที่ที่เมนนะทําความสะอาดปรับปรุงตกแต่งเมนให้เหมาะให้ควรกับงานของท่านก็ต้องใช้เวลาหลายวันเกิน5วันละ ทุกวันนี้เนี่ยการจัดงานสมเนี่ยมุ่งไปที่ความสมเกียรติของผู้จัดอของเจ้าของผู้ที่ร่วมรับนะและบางทีก็มุ่งไปถึงหน้าตาของผู้จัดของเจ้าภาพหลวงพ่อท่านคงเห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ฟุ้งเฟอ้อมากท่านก็จึงระบุอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้คำหนึ่งถึงเกียรติยศของหลวงของตัวท่านเองเลยั้นถ้าเราจะจัดงาน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 แล้วก็สอนให้พวกเราได้ปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนความเรียบง่ายความไม่ถือยศถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าย่างอันนี้คือธรรมที่เราประจักษ์หรือพบเห็นได้จากการได้พบสัมผัสกับหลวงพอ่อ น, นี่คือธรรมที่ธรรมแรกๆที่ผู้คนได้พบเห็นนะจากหลวงพอ่อ เราก็พยายามทําให้งานนี้สื่อออกมาสะท้อนออกมาซึ่งธรรมะดังกล่าวให้เป็นงานที่มีคุณค่ามีสาระไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยพิธีกรรมต่างๆเพราพิธีกรรมเดี๋ยวนี้มันก็ฟุ้งเฟ้อมากขึ้นแล้วก็มีความงงงายมากก็ตัดทิ้งเพื่อสื่อตรงไปสู่ศา ส, สนธรรม แต่นอกจากจะให้งานนี้นสะท้อนถึงความเรียบง่ายนะความถ่อมตัวของหลวงพ่อแล้วนะสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้คือสะท้อนเน้นถึงสติและความรู้สึกตัวที่พวกเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์นะได้ภาคเพียนปฏิบัติอันนี้มันคงไม่อาจแสดงได้จากวัตถุสิ่งของ ที่เราได้ตกแต่งหรือเราได้ตัดเตรียมมาแต่มันจะแสดงออกได้ก็จากกลารกระทาและพฤติกรรมของพวกเราซึ่งรวมกันเป็นเจ้าภาพในงานนี้วันนี้เนี่ยจะมีความยุ่งยากมากมายเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่เราเตรียมการมาเป็นอย่างดีตามกาลังสติปัญญาของพวกเรา แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมามากๆนะมันก็จะมีความวุ่นวายหลายอย่างในบางจุดบางช่วงอาจถึงขั้นโกลาหลก็ได้สติของพวกเราสำคัญมากนะโดยผู้พ่จัดโดยพผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆบ่อยครั้งการทำงานระดับนี้นะมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่คนทำงาน นะยังไม่ต้องพูดถึงการกระทกระทั่งนะกับผู้ที่มาร่วม ง, งานหลายอย่างที่เราวางแผนเอาไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นได้อย่างที่ไม่คิดไม่คิดฝันซึ่งอาจทาให้เกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจนะตรงนี้พวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีญาติโยมเนี่ยจะต้อง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 เราจมเขาหายเข้าไปในความหลงในความลืมตัวหลวงพ่อท่านสอนให้เรามีสติรู้ตัวและท่านก็ทำให้เราดูอยู่ให้เราเห็นแต่เราซึ่งถ้าหากเราซึ่งเป็นผู้ทำงานสนองท่านถวายท่านกลับเต็มไปด้วยความโกรธความโมโหลืมตัวในขณะที่ทำงานนี้ก็ถ้าก็งานนี้เนี่ยมันไม่สมทํา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 ลูกศิษย์หรือว่าผู้จัดนีนะ้หมดเนื้อหมดตัวเข้าไปในอารมณ์เนะียง mm hmm. เพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเป็นเพราะว่ามั น, นมันไม่เป็นไปตามแผนเป็นเพราะไม่มีคนทําตามที่ตกลงกันเอาไว้นะ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 เป็นพความยุติถือมั่นในกฎในระเบียบที่วางภายนเอาไว้แต่มันเป็นความยึติยึดถือมันในตัวกูของกูด้วยซ้ำถ้ายึดติถือมันในตัวกูของกูเมื่อไหร่เนี่ยมันก็พร้อมที่จะประทุกออกมาเป็นอารมณ์เป็นความหงุดหงิดเป็นความไม่พอใจหลายคนรู้สึกว่าถูกข้ามหน้าข้ามตาอันนี้มันก็บอกในตัวฟ้องในตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องของความหวงแหง่หน้าตาศักดิ์สิท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 ฝนฟ้าไม่เป็นใจผู้คนมากมายจนกระทั่งกราหหนมีคนใช้บัตรเบงพยายามเข้ามาจอดรถในวัดห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้โกรธได้ง่ายแล้วหรือว่ามีคนไม่เข้าคิวไม่เข้าแถวนะไอ้ริงเล้านี้เราต้องมีสติให้ได้นะไม่ใช่ในฐานะเจ้าภาพแต่ในฐานะของลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็ในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรม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 เวลาใครเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าชึกหัวหน้าทัวร์ต่างประเทศหรือว่าหัวหน้าดูแลกิจการงานต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะปล่อยเลยนะใครที่ไปร่วมทิปร่วมทัวร์กับท่านหรือพาท่านไปต่างประเทศจะรู้เลยว่าพาท่านไปนี่สบายมากท่านไม่บน่นท่านไม่ท่านไม่มาแทรกแซงความเห็นของเราท่านปล่อยให้เราว่าไปตามตามสบายอาตอมาเคยไปกับหลวงพ่อไปกรุ๊ปเล็กๆนะ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 อันอย่างที่เคยเล่าไว้เมื่อสองสวันก่อนอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของท่านที่ท่านรู้หน้าที่ว่าถึงแม้ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าว่านะแต่พอไปบาหลีไปอินเดียไปภูฏานนะท่านคือลูกทัวร์ถึงแม้ว่าคณะจะยกให้ท่านเป็นหัวหน้าแต่ว่าก็เป็นหัวหน้าในเชิงอ่าเป็นประธานแต่ไม่ใช่เป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเขามีอยู่ท่านก็มอบหมาย ให้เขาดูแลเต็มที่แล้วควรทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักนะในในหมู่ผู้ที่ร่วมงานในวันนี้ในหมู่ผู้ที่จัดงานในวันนี้นะมันเป็นบททดสอบสำคัญนะว่าเราจะทำงานนี้ให้สมธรรมะของหลวงพ่อได้หรือเปล่านะไม่ใช่เฉพาะในหมู่ผู้จัดนะเท่านั้นแม้กระทั่งในหมู่พวกเราซึ่งบางคนอาจจะ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 คนเยอะนะเวลามีคนเยอะเนี่ยถ้าวางจะไม่เป็นเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันจะมีสูงมากเช่นเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันต้องต่อคิวต้องเข้าคิวแล้วเป็นแถวยาวเวลาจะไปรับอาหารคิวก็ยาวแถวก็ยาวนะถ้าว่างานนี้เนี่ยผู้คนจะเข้าคิวเข้าแถวอย่างเป็นระเบะียบเนี่ยมันจะงดงามแต่ที่สำัญก็คือมันสะท้อนให้เห็นถึงอ่า ความใส่ใจความรักษาความประพฤติปฏิบัติของเราโดยเพราะนะพูดกับเรื่องสติพูดเรื่องความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันต้องแสดงออกมาในเรื่องความเป็นระเบียบรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยแล้วก็มีความเมตตากรุณาแต่ว่างานนี้เนี่ยมันปรากฏกลายเป็นว่าเนี่ยผู้คนไม่เป็นระเบียบเลยนะหลวงพ่อมางานของหลวงพ่อที่สอนเรื่องสติความรู้สึกตัว นะแต่ทุกคนหรือว่าคนจำนวนมากเนี่ยเห็นแก่ตัวนะหรือลืมตัวนะเวลาเข้าแถวก็ไม่มีนะทั้งสิ้นนะพยายามที่จะยื้อยุดเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เข้าห้องน้าก่อนใครหรือว่าได้กินอาหารก่อนใครอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่น่าละอายมากนะแล้วก็มันก็กลายไปว่างานนี้ไม่สมธรรมะของหลวงพ่อแล้ว อย่าว่าแต่สมธรรมมากของพระพุทธเจ้าเลยนะนี่คือส่วนร่วมที่เราสามารถจะทําได้เป็นส่วนร่วมที่แม้จะดูเล็กน้อยแต่สําคัญนันก็คือทําให้งานนี้เนี่ยมันเป็นระเบียบยังน้อยๆเราไม่เป็นเราไม่ไปไม่ไปเป็นส่วนของความไร้ระเบียบนะซึ่งความเป็นระเบียบเนี่ยมันแสดงง่ายๆเนี่ยคือการเข้าคิวเข้าแถวนะการทําตามทําตามคําขอร้องหรือระเบียบ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 ผู้เจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นนะก็คือว่าเมื่อทำตนให้ดีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยการช่วยเดลส่วนรวมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการรักษาตนดูแลตนให้ดีแล้วมันก็จะเกิดผลโดยรวมนะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นถ้าแต่ละคนเนี่ยนะทตามทาตามกฎทาตามกติกานะ เดินเป็นแถวเดินเป็นระเบียบเดินทางเดียวไมย่ย้อนสอดหรือว่าเข้าคิวนะมันจะช่วยได้มากนอกปฏิบัติธรรมที่ก็วางใจไม่ได้นะนะเวลาพระเทศแสดงธรรมเนี่ยก็พนมมือสุภาพเรียบร้อยนะแต่พอบอกว่าอ้าวพอเสร็จงานแล้วอ้าวเดี๋ยวพระจะแจกหนังสือนะพอบอกว่าพระจะแจกหนังสือนะคนก็กลัวก็าเป็นแบบไม่ไม่เป็นระเบียบเลย ขนาดผู้จัดเนี่ยบอกนะว่าให้เดินให้เข้าเข้าแถวเป็นระเบียบนี่งานพุทธบูชานะงานวิสาขะนะแต่งชุดขาวก็เรียบร้อยดีนะแต่พอถึงเวลาแจกหนังสือนะไม่เป็นระเบียบเลยนะแย่งยึดแย่งกันแซงกันยือ้อยุดกันเห็นแล้วนี่มันตรงข้ามกับภาพที่เมื่อเห็นสักครู่นะในตอนฟังธรรมนี่ยังสงบสํารวมนะแต่ว่า พอมารับหนังสือแจกนี้มันเป็นคนละเรื่องเลยมันไม่แสดงถึงความมีสติความรู้สึกตัวหรืออย่าว่าแต่พื้นฐานความเป็นระเบียบเลยบางทกีก็นึกว่านึกเปรียบเทียบนะคนที่ไปเข้าแถวเพื่อซื้อกระเป๋าลุยวิทตองเนี่ยเขายังเข้าแถวเลยนะคนที่ไปอยากจะได้ iPad เนี่ยเขายังเข้าแถวเป็นชั่วโมงเลยไอคนที่เขาไม่สนใจธรรมะนะเขาสนใจแต่ เราจะบอกเขาสนใจสินชาบช่วยนะักกระเป๋าลุยวิตตองเอาไปโชว์เพื่อนนะไม่สนใจธรรมะแต่เข้าคิวเป็นระเบียบนะขณะอากาศหนาวนะไปเข้าคิวแถวปารีตเนี่ยนะอากาศก็หนาวแล้วเ ข, ข้าคิวเป็นระเบียบแต่ว่านักปฏิบัติธรรมนี่นะพอจานหนังสือนี่กลายเป็นอความบุ่นวายทันที อันนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติทำอย่างแท้จริงแล้ ว, ค ว, วนะความรู้ตัวหายไปไหนนะความรู้ตัวหายไปไหนแล้วเนี่ยวันเนี้ยที่มันจะวุ่นวายคือตอนที่แจกของชมรวยนี่แหละนะถ้าคนถ้าเกิดมาเป็นหมื่นนะถ้ามาเป็นร้อยนี่ง่ายแต่ถ้ามาเป็นหมื่นมันจะวุ่นวายมากแต่ความวุ่นวายจะน้อยลงถ้าทุกคนเนี่ยเข้าถวเป็นระเบียบ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 บางทีหนังสือก็ไม่ครบไม่ไม่ค ร, บ, ครบจำนวนของผู้ที่มาฟังทำนะก็บอกว่าเนี่ยเออหนังสือมันมีน้อยนะนะก็ภาพที่เห็นนะก็อย่างที่พูดก็คือว่าผู้คนก็มากรูกันมารับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ทีแรกอาตมาก็เอาหนังสือเล่มเล็กมาวางก่อนเล่มเล็กขนาดฝ่ามือนะพอมันหมดมันหมดไปก็มีเล่มใหญ่มาอีกพึงนึง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 สติที่เคยมีนะ่ะหมดมันหมดไปเลยนะเวลาเจ อ, อสถานการณ์แบบนี้เพราะนั้นคนไทยนี่ก็เลยอย่างที่เราเห็นนะโดยเพเวลาแจกของเนี่ยมันไม่มีระเบียบอะไรเลยแต่ว่าถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนในวันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงก็ไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะอย่างน้อยเนี่ย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 มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะทำมาเข้าเป็นระดับพื้นๆแต่ถ้าระดับหลวงพ่อแล้วเนี่ยสมทำมาเนี่ยคืองานที่มันต้องอบอวนไปด้วยสติอบอวนด้วยความรู้สึกตัวนะเป็นบรรยากาศของความเ อ, อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่นะความไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เอาตัวตวนออกหน้าอย่างที่หลวงพ่อแสดงให้เราเห็นนะไม่ว่าคนทํางานหรือว่าคนที่รับผิดชอบงานเนี่ยถ้าเอาตัวตวนออกหน้าเนี่ย ในความสึกตัวมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้งงานก็จะวุ่นวายเกิดความเครียดแก่ผู้ทำงานแล้วเกิดความป่นป่วนแก่ผู้ร่วงานเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถือว่างานนี้เนี่ยเราต้องมาอย่าลืมเนี่ยการรักษาใจของตัวนะให้ดีโดยการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทางานนี้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 นะระหว่างที่เข้าคิวรอรับของชํำรวยก็ใครเขาจะโกรลาคนยังไงเราก็จะสงบได้นะล้วก็อาจจะช่วยให้เขาสงบได้ด้วยความสงบของเรามั้ก็ช่วยนำใจของเพื่อนให้สงบตามได้ด้วยหรือถ้าเราจะเอื้อเฟอื้อใครบ้างนะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดนะีอย่าเอาความอย่าเอาอย่าปล่อยอย่าเปิดโอกาสให้อัตราตัวตน ความเจ้ายศจ้ยอย่างความถือตัวเนี่ยมันเข้ามาครอบงําใจนะให้เราทําอย่างนี้ให้ได้ในสถานไม่ว่าในฐานะของเจ้าภาพหรือผู้ร่วมงานซึ่งก็มีสถานะเส ม, มือนกน็คือเป็นสิษยของหลวงพ่อคําเขียนเมื่อเรามาทํางานถวายท่านนะเราก็ต้องทําให้ไม่ใช่แค่สมเกียรติเท่านั้นแต่เรต้องสมธรรมมาของท่านด้วยอชาตนี้ก็เพื่อเท่านี้นะครับ